ผู้มีประภาษตรัสว่าบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบไม่เดือดดานและไม่ยินดีในรสเพราะตันหาว่าด้วยศึกษาเพราะอยากได้ลาบคําว่าบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบอธิบายว่าบุคคลศึกษาเพราะอยากได้ลาบเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นภิกษุได้จีวณบินทะบาตเสนาชนะและกิลานปัจัยเพศสัตว์บริขารเธอคิดอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรหนอท่านผู้มีอายุนี้จึงได้จีวณบินทะบาทเสนาชนะและกิฬานปัจัยเพศสัตวบริขารเธอคิดต่อไปว่าท่านผู้มีอายุนี้เป็นผู้ทรงจำพระสูตรเพราะเหตุนั้นท่านจึงได้จีวณบินทะบาตเสนาชนะ และคีลานปั จ, จัยเพษัตบริคารเธอหวังลาบจึงเล่าเรียนพระสูตรเพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นต้นเหตุเพราะมุ่งหวังการเกิดลาบโดยเฉพาะบุคคลชื่อว่าศึกษาพระอยากได้ลาบเป็นอย่างนี้อีกในหนึ่งภิกษุเห็นภิกษุได้จีวอนบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปั จ, จัยเพษัตบริคารเธอคิดอย่างนี้ว่า เพราะเหตุไรหนาท่านผู้มีอายุนี้จึงได้จีวรนบินธบาทเสนาชนะและคิลานปัจจัย、เพัตบริขารเธอมีความคิดต่อไปว่าท่านผู้มีอายุนี้เป็นผู้ทรงจำพระวินัยผู้ทรงจำพระอภิธรรมเพราะเหตุนั้นท่านจึงได้จีวรนบินธบาทเสนาสนะและคิลานปัจัจเพัฌบริขารเธอมุ่งหวังลาบจึงเล่าเรียนพระอภิธรรม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 และทีลาณปัจจัยเพศสารประรุขานเธอมีความคิดต่อไปว่าท่านผู้มีอายุนี้เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินทบาเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินธบาตามลําดับตรอกเป็นวัดเป็นผู้งดฉันอาหารมื้อหลังเป็นวัดเป็นผู้ถือการนั่งเป็นวัด เป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงได้จีวรนบินบาตเสนาสนะและกีฬาณปัจใจเพศัาบ ร, ริคารเธอมุ่งหวังลาบจึงเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดเพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจใจเพราะลาบเป็นต้นเหตุเพราะมุ่งหวังการเกิดลาบโดยเฉพาะ บุคคลชื่อว่าศึกษาเพราะอยากได้ลาบเป็นอย่างนี้บุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบเป็นอย่างไรคือพิกษจ์ในธรรมวินัยนี้ไม่ได้มุ่งหวังลาบเล่าเรียนพระสูตรเล่าเรียนพระวินยัยเล่าเรียนพระอภิธรรมเพื่อประโยชน์ในการฝึกตนเพื่อประโยชน์แก่ความสงบของตนเพื่อประโยชน์ในการทําตนให้ดับเย็นปรินิพานไม่ใช่เพราะลาบเป็นเหตุไม่ใช่เพราะลาบเป็นปัจจัย มิใช่เพราะลาบเป็นต้นเหตุมิใช่เพราะมุ่งหวังการเกิดลาบโดยเฉพาะบุคคลชื่อว่าไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบเป็นอย่างนี้อีกในหนึ่งภิกษุไม่มุ่งหวังลาบเพียงอาศัยความปรารถนาน้อยความสันโดษความขัดเกลาขิเลสความสังัดความเป็นผู้ต้องการกุศลนี้อย่างเดียวเท่านั้นจึงเป็นผู้เถิการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เถิเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัด เป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวอนเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินทบาาตามลำดับตรอกเป็นวัดเป็นผู้งดอาหารมื้อหลังเป็นวัดเป็นผู้เถอการนั่งเป็นวัดเป็นผู้เถอการอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดมิใช่เพราะลาบเป็นเหตุมิใช่เพราะลาบเป็นปัจจัยมิใช่เพราะลาบเป็นต้นเหตุมิใช่เพราะมุ่งหวังการเกิดลาบโดยเฉพาะ บุคคลชื่อว่าไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบเป็นอย่างนี้รวมความว่าบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบว่าด้วยโกรธเพราะการไม่ได้คําว่าไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบอธิบายว่าภิกษุโกรธเพราะไม่ได้ลาบเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ยังโกรธคือแค้นเคืองทําความโกรธความขัดเคือง และความไม่พอใจให้ปรากฏว่าเราไม่ได้ตระปูลหมู่คณะอาวะาลาบยศสรรเสริญสุขจีวรบินบาตเสนาสนะกีฬานปัจัยเพสัจบ ร, ริคารหรือผู้พยาบาลยามอาพาธเราไม่มีชื่อเสียงที่คนรู้จักบุคคลชื่อว่าโกรธเพราะไม่ได้ลาบเป็นอย่างนี้ภิกษุไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบเป็นอย่างไร คือพิสษุในธรรมวินัยนี้ไม่โกรธคือไม่แค้นไม่เคืองไม่ทำความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏว่าเราไม่ได้ตระกูลหมู่คณะอาวาดลาบยศสันเสริญสุขจีวอนบินทบาศเสนาสนะกีฬานปัจใจเพศะบริคารหรือผู้พยาบาลยามอาพาธเราไม่มีชื่อเสียงที่คนรู้จัก บุคคลชื่อว่าไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบเป็นอย่างนี้รวมความว่าบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบคําว่าเดือดดานใ น, นคําว่าไม่เดือดดานและไม่ยินดีในรถเพราะตันหาได้แก่ใจปองร้ายมุ่งร้ายขัดเคืองขุ่นเคืองแค้นเคืองเคืองเคืองมากเคืองตลอด ช, ชังชิงชัง เกลียชังใจพยาบาทใจแค้นเคืองความโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุสร้ายกริยาที่คิดประทุสร้ายภาวะที่คิดประทุสร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความโกรธความแค้นความดุร้ายความกลิยุกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเห็นปานนี้นี้เรียกว่า ความเดือดดานความเดือดดานนั้นผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกผเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่เดือดดานคําว่าตันหาได้แก่รูปตัญหาสัทธตัญหาคันธตัญหาระสะตันหาโพธพะตัญหาธรรมตัญหา คำว่ารสได้แก่รสจากรากรสจากลำต้นรสจากเปลือกรสจากใบรสจากดอกรสจากผลรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสเผ็ดรสเค็มรสปรารสเฟื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนสมณะพราหมณ์บางพวกยินดีในรส มนณพรามเหล่านั้นเที่ยวแสวงหารสเลิศด้วยปลายลิ้นได้รสเปรี้ยวแล้วก็แสวงหารสไม่เปรี้ยวได้รสไม่เปรี้ยวแล้วก็แสวงหารสเปรี้ยวได้รสหวานแล้วก็แสวงหารสไม่หวานได้รสไม่หวานแล้วก็แสวงหารสหวานได้รสขมแล้วก็แสวงหารสไม่ขมได้รสไม่ขมแล้วก็แสวงหารสขมได้รสเผ็ดแล้วก็แสวงหารสไม่เผ็ด ได้รสไม่เผ็ดแล้วก็แสวงหารสเผ็ดได้รสเค็มแล้วก็แสวงหารสไม่เค็มได้รสไม่เค็มแล้วก็แสวงหารสเค็มได้รสปลาแล้วก็แสวงหารสไม่ปลาได้รสไม่ปลาแล้วก็แสวงหารสปลาได้รสเปรี้ยวแล้วก็แสวงหารสฝาดได้รสฝาดแล้วก็แสวงหารสเปรี้ยวได้รสอร่อยแล้วก็แสวงหารสไม่อร่อย ได้รสไม่อร่อยแล้วก็สแสวงหารสอร่อยได้ของเย็นแล้วก็สแสวงหาของร้อนได้ของร้อนแล้วก็สแสวงหาของเย็นสมณะพราหมณ์เหล่านั้นได้รสใดๆแล้วก็ไม่ยินดีด้วยรสนั้นๆยังสแสวงหารสอื่นๆต่อไปอีกเป็นผู้กำหนัดยินดีติดใจสยบหมก ม, มุ่นเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันในรสที่ชอบใจตันหาในรสนี้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 เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นด้วยมนติการว่าเราจับบำบัดเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นการดำเนินชีวิตของเราความไม่มีโทษและอยู่สบายได้ด้วยวิธีการอย่างนี้คนทาแผลเพียงเพื่อปลูกเนื้อเยื่อหยอดเปล่าเพียงเพื่อจะขนภาระไปหรือกินอาหารที่ปรุงจากเนื้อบุตรเพียงเพื่อจะเดินทางออกจากทางกันดารให้พ้นเท่านั้นฉันใด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 การดำเนินชีวิตของเราความไม่มีโทษและอยู่สบายได้ด้วยวิธีการอย่างนี้ย่อมละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งตัณหาในรถเป็นผู้งดแล้วงดเว้นแล้วเว้นขาดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องกับตัณหาในรถแล้วมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่เดือดดาน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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลเป็นผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อไม่สำคัญว่าเสมอเขาไม่สำคัญว่าเลิกกว่าเขาไม่สำคัญว่าร้อยกวาเขาในโลกกิเลสนะย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นว่าด้วยอุเบกขามีองค์หกคำว่าบุคคลเป็นผู้วางเฉยในคำว่าบุคคลเป็นผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อ อธิบายว่าบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอุเบกขามีองค์หกเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธิภะทางกายรู้ธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ เห็นรูปทางตาแล้วไม่ติดใจไม่ยินดีรูปที่น่าพอใจไม่เห้่เกิดความกำหนักกายของเขาตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นดำรงดีอยู่ภายในหลุดพ้นดีแล้วทั้งเห็นรูปที่ไม่ชอบใจทางตาแล้วก็ไม่เสียใจไม่โกรธไม่หดหู่ไม่พยาบาทกายของเขาตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นดำรงดีอยู่ภายในหลุดพ้นดีแล้ว ได้ยินเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐพะทางกายรู้ธรรมารมทางใจแล้วก็ไม่ติดใจไม่ยินดีอารมณ์ที่น่าพอใจไม่ให้เกิดความกำหนัดขึ้นกายของเขาตั้งมั่นจิต ก, ก็ตั้งมั่นดำรงดีอยู่ภายในหลุดพ้นดีแล้วทั้งรู้ธรรมารมที่ไม่น่าชอบใจทางใจแล้วก็ไม่เสียใจไม่โกรธไม่หดหู่ ไม่พยาบาทกายของเขาตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นดํารงดีอยู่ภายในหลุดพ้นดีแล้วเห็นรูปทางตาแล้วกายของเขาก็ตั้งมั่นในรูปที่ชอบใจและไม่ชอบใจจิตก็ตั้งมั่นดํารงดีอยู่ภายในหลุดพ้นดีแล้วฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธพภะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ก็มีกายตั้งมั่นในธรรมรมทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจจิตก็ตั้งมั่นดำรงดีอยู่ภายในหลุดพ้นดีแล้วเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่กำหนัดในรูปที่ชวนให้กำหนัดไม่ขัดเทืองในรูปที่ชวนให้ขัดเคืองไม่หลงในรูปที่ชวนให้หลงไม่โกรธในรูปที่ชวนให้โกรธไม่เจ้ามองในรูปที่ชวนให้เร้ามองไม่มัวเมาในรูปที่ชวนให้มัวเมา ได้ยินเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธิภาพทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็ไม่กำหนัดในธรรมารมที่ชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในธรรมารมที่ชวนให้ขัดเคืองไม่หลงในธรรมารมที่ชวนให้หลงไม่โกรธในธรรมารมณ์ที่ชวนให้โกรธไม่เศร้าหมองในธรรมารมที่ชวนให้เศร้าหมองไม่มัวเมาในธรรมารมณ์ที่ชวนให้มัวเมา เมื่อเห็นก็เป็นเพียงเห็นเมื่อได้ยินก็เป็นเพียงได้ยินเมื่อรับรู้กลิ่นรสโผฏพะก็เป็นเพียงรับรู้เมื่อรู้แจ้งธรรมรมก็เป็นเพียงรู้แจ้งไม่ติดในรูปที่เห็นไม่ติดในเสียงที่ได้ยินไม่ติดในกลิ่นไม่ติดในรสไม่ติดในสัมผัสที่รับรู้ไม่ติดในธรรมรมที่รู้แจ้งแล้วไม่มีตัณหาไม่มีใจประทุษร้าย ตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโพธะที่รับรู้และธรรมรมที่รู้แจ้งมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่พระอรหันตก็มีตาเห็นรูปทางตาแต่พระอรหันต์ไม่มีความกำหนัดเพราะพอใจพระอรหันต์จึงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระอรหันตก็มีหู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 พระอรหันต์ก็มีกายถูกต้องโผฏฐะทางกายแต่พระอรหันต์ไม่มีความกำหนัดเพราะพอใจพระอรหันต์จึงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วพระอรหันต์ก็มีใจรู้ธรรมมรมณ์ทางใจแต่พระอรหันต์ไม่มีความกำหนัดเพราะพอใจพระอรหันต์จึงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วตาชอบรูปยินดีในรูปชื่นชมในรูปพระอรหันต์ฝึก คุ้มครองรักษาสํารวมตาและแสดงธรรมเพื่อสํารวมตานั้นหูชอบเสียงจมูกชอบกลิ่นลิ้นชอบรสกายชอบโพธพภะใจชอบธรรมารมณ์ยินดีในธรรมรมณ์ชื่นชมในธรรมารมณ์พระอรหันต์ฝึกคุ้มครองรักษาสํารวมใจและแสดงธรรมเพื่อสํารวมใจนั้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า คนทั้งหลายนำสัตว์พาณิที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมทรงราชพาณิชที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกแล้วซึ่งกดกลั้นต่อคาล่วงเกินได้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าอาชาไนาม้าสินทพช้างใหญ่ที่ได้รับการฝึกหัดแล้วประเสริฐแต่คนที่ฝึกหัดแล้วประเสริฐกว่าสัตว์พาณิเหล่านั้น เพราะใครก็ไปถึงนิพพานอันเป็นทิศที่ไม่เคยไปด้วยยานพาหนะเหล่านั้นไม่ได้เหมือนบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนฝึกหัดแล้วอย่างดีไปถึงได้พระอระหันต์ทั้งหลายหลุดพ้นจากภพใหม่แล้วบรรลุถึงภูมิที่ฝึกแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในมานะทั้งหลายท่านเป็นผู้ชนะแล้วในโลกผู้ใดอบรมอินทรีย์แล้วในโลกทั้งปวงทั้งภายในและภายนอก ผู้นั้นเป็นผู้อบรมแล้วฝึกดีแล้วรู้ชัดทั้งโลกนี้และประโลกรอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้นคาว่าบุคคลเป็นผู้วางเฉยทุกเมื่ออธิบายว่าทุกเมื่อคือในการทั้งปวงตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิจตลอดการย่งยืนปัจฉิมวัยคำว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสีอย่าง คือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจรารณากายในกาย 2. ชื่อว่าม in ีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต 4. ชื่อว่ามีสติเม <or> ื่อเจริญสติปัฏฐานพ네ิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายผู้นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติรวมความว่าบุคคลเป็นผู้วางเฉยมีสติทุกเมือ่อคาว่าไม่สำคัญว่าเสมอเขาในโลกอธิบายว่าไม่เกิดความถือตัวเพราะชาติเพราะโคดหรือเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่าเราเป็นผู้เสมอเขารวมความว่าไม่สำคัญว่าเสมอเขาในโลก คำว่าไม่สําคัญว่าเลิกกว่าเขาไม่สําคัญว่าด้อยกว่าเขาอธิบายว่าไม่เกิดความดูหมิ่นเพราะชาติเพราะโคตรหรือเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่าเราเลิกกว่าเขาไม่เกิดความถือตัวเพราะชาติเพราะโคตรหรือเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วว่าเราด้อยกว่าเขารวมความว่าไม่สําคัญว่าเลิกกว่าเขาไม่สําคัญว่าด้อยกว่าเขา ว่าด้วยกิเลสหนาเจ็ดอย่างคำว่าบุคคลนั้นในคำว่ากิเลสหนาะย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นได้แก่พระอรหันตขีนาศคำว่ากิเลสหนาะได้แก่กิเลสหนาเจ็ดอย่างคือหนึ่งกิเลสหนาคือราคะสองกิเลสหนาคือโทสะสกิเลสหนาคือโมหะสกิเลสหนาคือมานะ ห้ากิเลสนาะคือทิฐิห ก, กิเลสนาะคือกิเลสเจกกิเลสนาะคือกรรมกิเลสนาะเหล่านั้นไม่มีไม่มีอยู่คือไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่พระอรหันต์นั้นคือกิเลสนาะเหล่านั้นพระอรหันต์ละได้แล้วตักขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้ว รวมความว่ากิเลสนาะย่อมไม่มีแก่บุคคล น, นั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลเป็นผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อไม่สําคัญว่าเสมอเขาไม่สําคัญว่าเลิอ ก, กว่าเขาไม่สําคัญว่าด้อยกว่าเขาในโลกกิเลสนาะย่อมไม่มีแก่บุคคล น, นั้น91พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลใดไม่มีที่อาศัย ไม่มีตัณหาในภพหรือในวิภพบุบคคลนั้นรู้ธรรมแล้วไม่อาศัยว่าด้วยที่อาศัยคาว่าบุคคลใดในคำว่าบุคคลใดไม่มีที่อาศัยได้แก่พระอรหันตขีนาศคำว่าที่อาศัยได้แก่ความอาศัยสองอย่างคือหนึ่งความอาศัยด้วยอำนาจตัณหาสองความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิ นิชื um. mm. ่อว่าความอาศัยด้วยอำนาจตันหานิชื่อว่าความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิบุคคลนั้นละความอาศัยด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละความอาศัยด้วยอำนาจตันหาสลัดทิ้งความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วบุคคลใดไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ซึ่งที่อาศัย คือที่อาศัยนั้นบุคคลนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วรวมความว่าบุคคลใดไม่มีที่อาศัยคําว่ารู้แล้วในคําว่ารู้ทำแล้วไม่อาศัยอธิบายว่ารู้แล้วคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้ว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 ไม่อาศัยกายไม่อาศัยใจคือไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ติดใจแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะธรรมรมตะกูลหมู่คณะอาวาสรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโพธพพะที่รับรู้และธรรมรมที่พึงรู้แจ้ง มีใจเป็นอิจระจากกิเลสอยู่รวมความว่ารู้ทำแล้วไม่อาศัยว่าด้วยตัญหาคําว่าตันหาในคําว่าไม่มีตัญหาในภพหรือในวิภพได้แก่รูปตัญหาสัทธตัญหาคันทตัญหารสตัญหาโพธะะตัญหาธรรมตันหาคําว่าบุคคลใดได้แก่ พระอรหันตขีนาศคำว่าในพบได้แก่ในภวะทิฐิคำว่าในวิพบได้แก่ในวิภวะทิฐิคำว่าในพบได้แก่ในสัจจะทิฐิคำว่าในวิพบได้แก่ในอุเฉตทิฐิคำว่าในพบอธิบายว่าในพบต่อไปในคติต่อไปในการเถอกําเนิดต่อไป ในปฏิชนทิต่อไปในความบังเกิดของอัตภาพต่อไปตันหาไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่บุคคลใดคือตันหานั้นบุคคลนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าไม่มีตันหาในภพหรือในวิภพด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลใดไม่มีที่อาศัยไม่มีตัณหาในภพหรือในวิภพบุคคลนั้นรู้ธรรมแล้วไม่อาศัยองพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราเรียกบุคคล น, นั้นผู้ไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายว่าเป็นผู้เข้าไปสงบบุคคล น, นั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัติกาได้แล้วคําว่าเราเรียกบุคคล น, นั้นเป็นผู้เข้าไปสงบอธิบายว่าเราเรียกบุคคล น, นั้นคือพูดบอกแสดงชี้แจงบุคคล น, นั้นว่าเป็นผู้สงบเข้าไปสงบสงบเย็น คือดับแล้วระงับแล้วรวมความว่าเราเรียกบุคคลนั้นเป็นผู้เข้าไปสงบคําว่าผู้ไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายอธิบายว่าคําว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกามสองกิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามบุคคลกําหนดรู้วัตถุกามแล้วละ คือละเว้นบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสกรมชื่อว่าไม่มุ่งหวังเนกากรมทั้งหลายได้แก่เป็นผู้คลายกามแล้วสละกรมแล้วคลายกรามแล้วปล่อยกามแล้วละกามแล้วสลัดทิ้งกามแล้วคือเป็นผู้คลายความกำหนัดแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้ว และราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้วในการามทั้งหลายเป็นผู้หมดความอยากแล้วเป็นผู้ดับแล้วเป็นผู้เย็นแล้วมีตนอันประเสริฐ ส, สุขอยู่รวมความว่าผู้ไม่มุ่งหวังในการามทั้งหลายว่าด้วยกิเลสเครื่องร้อยรัดสี่อย่างคําว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดเนื้อคว่าบุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดอธิบายว่า กิเลสเครื่องร้อยรักสี่อย่างคือ 1. กิเลสเครื่องร้อยรักกายคืออภิชา 2. อกิเลสเครื่องร้อยรักกายคือพยาบาทสกิเลสเครื่องร้อยรักกายคือศีลปตาปรามาตสีกิเลสเครื่องร้อยรักกายคือความถือมั่นว่านี้เท่านั้นจริงความกำหนัดในทิฏฐิของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรักกายคืออภิชา ความอาฆาตความไม่พอใจในวาทะของผู้อื่นชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรักกายคือพยาบาทความยึดมั่นศีลวัดหรือศีลวัดของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรักกายคือศีลพตะปรามาตทิฏฐิของตนชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรักกายคืออิทางสัจจาพินิเวศคําว่าบุคคลนั้นได้แก่พระอระหันตขีนาศ คำว่าบุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดอธิบายว่าบุคคลนั้นไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ซึ่งกิเลสเครื่องร้อยรัตนนรคือกิเลสเครื่องร้อยรัดบุคคลนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าบุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัด ว่าด้วยตันหามีชื่อต่างๆคำว่าบุคคลนั้นข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิจัติกาได้แล้วอธิบายว่าตันหาตรัสเรียกว่าวิจัติกาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลลมูลคือโลภะคำว่าวิจติกาอธิบายว่าตันหาชื่อว่าวิจติกาเพราะมีความหมายอย่างไร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 ชื่อว่าวิจัติกาเพราะมีรากเป็นพิษชื่อว่าวิจัติกาเพราะมีผลเป็นพิษชื่อว่าวิจติกาเพราะเป็นตัวการให้บริโภคสิ่งมีพิษอีกในหนึ่งตัณหานั้นสร้างไปแผ่ไปขยายไปในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะตระกูลหมูคนะ่คณะอาวาตสร้างไปแผ่ไปขยายไปในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยิน กลินรสโพธภะที่รับรู้และธรรมรมที่พึงรู้แจ้งรวมความว่าตันหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาคําว่าบุคคลนั้นข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาได้แล้วอธิบายว่าบุคคลนั้นข้ามได้แล้วคือข้ามไปได้แล้วข้ามพ้นแล้วก้าวล่วงแล้วล่วงเลยแล้วซึ่งตันหาที่ชื่อว่าวิสัตติกานี้รวมความว่า บุคคลนั้นข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัธิกาได้แล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายว่าเป็นผู้เข้าไปสงบบุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัธิกาได้แล้วเกสิบสามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลนั้นไม่มีบุตร สัตว์เลี้ยงนาไร่และที่ดินทิฐิว่ามีอัตตาหรือทิฐิว่าไม่มีอัตตาหาไม่ได้ในบุคคล น, นั้นว่าด้วยบุตรเป็นต้นคําว่าไม่ในคําว่าบุคคล น, นั้นไม่มีบุตรสัตว์เลี้ยงนาไร่และที่ดินเป็นคําปฏิเสธคําว่าบุคคล น, นั้นได้แก่พระอระหันตขีนาศคําว่าบุตรได้แก่บุตรสี่จำพวก คือหนึ่งบุตรเกิดจากตนสองบุตรเกิดในเขตสามบุตรที่เขาให้สี่บุตรที่อยู่ในสำนักคำว่าสัตว์เลี้ยงได้แก่แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าและลาคำว่านาไร่ได้แก่น า, ไไนาข้าวสาลีนาข้าวเจ้าไร่ถั่วเขียวไร่ถั่วราชมาศนาข้าวเหนียวนาข้าวละมาน ไร่นาคำว่าที่ดินได้แก่ที่ปลูกเรือนที่สร้างยุ้งช้างที่หน้าเรือนที่หลังเรือนที่สวนที่อยู่คำว่าบุคคลนั้นไม่มีบุตรสัตว์เลี้ยงนาไร่และที่ดินอธิบายว่าบุคคลนั้นไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ซึ่งความยึดถือว่ามีบุตรความยึดถือว่ามีสัตว์เลี้ยง ความยึดถือว่ามีนาไร่ความยึดถือว่ามีที่ดินคือความยึดถือว่ามีบุตรเป็นต้นเขาละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคย์ยานแล้วรวมความว่าบุคคลนั้นไม่มีบุตรสัตว์เลี้ยงนาไร่และที่ดินว่าด้วยทิฏฐิคำว่า ทิฏฐิว่ามีอัตตาและคำว่าทิฏฐิว่ามีอัตตาหรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาหาไม่ได้ในบุคคลนั้นได้แก่ไม่มีศัสตะทิฏฐิคำว่าทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาได้แก่ไม่มีอุเชตทิฏฐิคำว่าทิฏฐิว่ามีอัตตาได้แก่ไม่มีสิ่งที่ยึดถือคำว่าทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาได้แก่ ไม่มีสิ่งที่พึงปล่อยวางอธิบายว่าสิ่งที่ยึดถือไม่มีแก่บุคคลใดสิ่งที่พึงปล่อยวางก็ไม่มีแก่บุคคลนั้นสิ่งที่พึงปล่อยวางไม่มีแก่บุคคลใดสิ่งที่ยึดถือก็ไม่มีแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นผู้เป็นพระอรหันต์ก้าวพ้นการยึดถือและการปล่อยวางแล้วล่วงพ้นความเจริญและความเสื่อมแล้วบุคคลนั้นอยู่ในอริยวาสธรรมแล้ว พระพิจารณธรรมแล้วบุคคลนั้นไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าทิฏฐิว่ามีอัตตาหรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาหาไม่ได้ในบุคคล น, นั้น้ดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคล น, นั้นไม่มีบุตรสัตว์เลี้ยงนาไร่และที่ดินทิฏฐิว่ามีอัตตาหรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตา หาไม่ได้ในบุคคลนั้น